เคยได้ทำให้สั้นๆเคยต้องทํามากๆถ้าทํำมากก็จะได้มากจะได้เร็วถ้านําน้อยก็จะได้ได้น้อยได้ช้าเวล า, าจะไม่พอต้องรีบตือนตัวเองว่าเวลาเรามันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบทําเสียตั้งแต่ตอนนี้เดีวเวลาหมดมันจะ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 เวียนไหวตายเกิดนานขึ้นไปถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติตัด ก, การเวียนไหวตายเกิดต้องทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดอเอาที่จะมากได้ให้ละเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เรื่องมันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้ไม่ลืม มาเวลาเรามีน้อยลงไปทุกวันทุกวันเพื่อจะได้ปฏิบัติมากมากอย่ารอมาบวชเวลาอายุ60 70แล้วก็มาบวชอาจจะไม่ทำารควรจะตั้งเป้าว่าภายในปีสองปีนี้ต้องบวชให้ได้ถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะไม่มี มันจะผัดไปเรื่อยๆเราต้องบังคับต้องแก้การผัดวันประกันพรุ่งว่าเราต้องกำหนดเวลาสองปีสามปีหรือยังไงก็ว่าไปให้มันมีอะไรกดดันเราไหมถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้มันก็จะไปเรื่อยๆเฉยๆสบายๆ ย, ยังติดสุขอยู่ติดสุขของกิเลสอยู่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 เราเข้าไปเรื่อยๆความแก่เข้าขยับเข้ามาเรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ปวยความตายขยับเข้ามาเรื่อยๆถ้าคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆแล้วมันก็จะได้รีดทาภารกิจที่เราควรจะทาแล้วก็ตัดภารกิจที่ไม่ควรจะทำออกไป นี่คือกางเข้าวัดเาวัดเพื่อที่จะได้มามาได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราควรจะได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้เป็นเครื่องปุกกำลังใจปลุกศรัทธาปลุกความเพียรดังนั้นเราก็จะถูก กิเลสมันหลอกให้เราเพ้อเจินอยู่กับความสุขทางโลกซึ่งก็เป็นเหมือนกับกับดักสัตว์นี่เวลาเขาจะดักสัตวนี่เขาจะมีเหยื่อลอ่อพอสัตว์เห็นเหยื่อมันก็จะไปตะคุกเหยื่อนั่นมันก็จะติด ก, กับที่ในพรานระหว่างไว้ความสุขทางโลกนี่ก็เป็นเหมือนเหยื่อ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 สิ่งต่างๆอันนี้มันเป็นความสุขของของกลับลของที่เขาใช้เป็นเหยื่อล่อถูกใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเยยนว่ายตายเกิดนั้นต้องพยายามลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ลองถือศีลแตกกันดูลองถือศีลแตกนี่เป็นการเลิกเลือการละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้ในกายถ้าถือศีลแตกก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้กินอาหารมากเกินไปไม่ได้กินอาหารพออยู่อยากกินเพื่อความสุข ความสุขจากการกินก็เป็นเหมือนกับกินเหยื่อปลาที่กินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายแบบนี้กินแล้วก็จะถูกแบบเกี่ยวคอต้องกินอยู่เรื่อยถ้าไม่ได้กินแล้วมันทุกขแต่ถ้ากินหัดกินแบบพอประมาณกินเพื่ออยู่การกินก็จะไม่เป็นไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นกับดัก ถือสีนแปนี่จะให้กินพอประมาณหลังเที่ยงวันก็พอแล้วกินกินก่อนเที่ยงวันก็พอลหลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินนะหรือถ้าจะให้ดีก็กินมื้อเดียวไปเลยอย่างผ้าปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะฉันมื้อเดียวไ้บินระบาดกลับมาจากบินระบาทก็ฉันเลยฉันเสร็จแล้วก็จบวันนั้น ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในป่าสินธ บ, บาทนี้โมงเช้าสองโมงเช้าก็เสร็จแล้วสาเสร็จแล้วนี้ก็จะได้มีเวลาได้ปฏิบัติจเจริญสติไม่ต้องมาเสียเวลากับการรอรับประทานอาหารมือ้อกลางวันมื้อเย็นกว่าจะได้ปฏิบัติได้่วงนอนพอดีไมได้ปฏิบัติกินี้เดียว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 เราทำงานวันที่ทำงานปฏิบัติไม่ได้ก็ถือสีห้าไปก่อนพอวันหยุดทำงานก็ถือสีแปดแทน 8. ที่จะไปเที่ยวไปกินไปเดิมก็อยู่บ้านรัดษาสีแปดแล้วก็ปฏิบัติทำไปมีเป็นการลดละการแสวงหาความสุขทางโลกที่เหมือนกับการชอบไปกินเหี่ยวในกับดักนั่นแหละ ถ้าเราไม่เข้าไปกินอยู่อในกะับดักต่อไปกับนั้นกับดักนั่นก็จะจับเราไม่ได้เราก็จะหลุดออกจากกับดักของวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดแต่เหมือนสัตว์ถ้าถูกเขาจับไปก็ถูกเขาไปท่าแกงเราก็ถูกวัฏจัแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย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 เนี่ยมาอยู่บ้านหนีจากที่ไหนมามาอยู่บ้านอำเภอเนี่เดี๋ยวมันก็ตามมาเดี๋ยวถ้าหนีอมันก็ตามไปอีกวิธีที่จะตัดความทุกข์ต้องไม่หนีมันต้องเข้าไปหาหาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วไปแก้ที่เหตุไม่ใช่อยู่ตรงนี้มีเรื่องมีราวมีความทุกข์ก็หนีไปเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่อื่น แต่ยเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอีกมันก็มีทุกข์กต้องแก้ที่ที่เหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ในใจเราเนี่แหละ ก, กิเลสตัณหาเนี่ยเมื่อกี้คุณพู้เนี่ยเข้าวัดเพื่อที่จะมาละกิเลสตัณหาการจะละกิเลสตัณหาก็ต้องถือศีลแปถือศีลห้าศีลห้าเริ่มต้นก่อน ถ้าศีแปดยังไม่ได้ก็ถือศีลห้าไปก่อนทําทานไปก่อนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางโลกก็เอาเงินมาทําทานมาละ ก, กิเลสด้วยการทําทานกิเลสที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่จะไปเที่ยวอันนี้ก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญ ทำบุญแล้วก็สบายใจกว่ามีความสุขใจกว่าล้วก็จะทำให้เรารักษาสินห้าได้คนทําบุญได้ก็จะรักษาสินห้าได้คนที่ทําบุญไม่ได้ก็จะรักษาสินห้าไม่ได้เพราะยังเห็นแก่ตัวยยังอยากได้นูน่นได้นี่ยังมีความโลภมากโลภมากก็รักษาสินยากถ้าโลภน้อยก็รักษาสินง่าย คนทําบุญทําทานนี้จะมีความเมตตามีความศาสนาดีแต่ทําอะไรนี้จะระวังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่คนที่ไม่ทําบุญนี้จะไม่สนใจอยากจะได้อะไรต้องหามาให้ได้ใครจะเดือดร้อนนี้ไม่ไม่สนใจใช่ไหมบางทีอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยร้องนําทําเพลงกัน ตีหนึ่งตีสองก็ไม่สนใจเขาข้างบ้านเขาจะคิดยังไงตัวเองขอให้ได้มีความสุขเฮฮาปาร์ตี้กันไปแต่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สนใจพวกนี้เป็นคนที่ทําบุญไม่เต็มไม่ชอบทําบุญชอบหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ อ, อื่นอันนี้จะรักษาถึงไม่เต็รักษาถึงไม่ได้ ถ้ารักษาสี้ไม่ได้ก็สินห้าไม่ได้สิ้นแปก็รักษาไม่ได้เกิรักษาสี้นแปดกันบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยรักษาสิ้นแปดกันมั้ยนับได้กี่ครั้งวะนับได้เป็นครั้งเลยนะเกิดมาเนี่ยมันมีต ก, ก็กี่วันเนี่ยเกิดมาปีหนึ่งมีส6ม้อยหกสิบห้าวันสิปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบวัน สิต้องเกิดมาต้องหลายพันวันนี่รักษาสินใจได้ก็กี่วันนั่นแหละเราจะเห็นได้เราจะได้เห็นว่าเวลาที่เราใช้ไปกับการติดอยู่กับกับดักนี่มันอยู่นานแท่ไหนเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อ, อย่างเรานี่มาบวชสี่สิบปีนี่ยถือสินสิท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 ลองรักษาดูเสร็จแล้วจะตัดกิเลสไปได้เยอะเลยอยากจะลดกิเลสเนี่ยต้องลดด้วยการปฏิบัติอาว่านะถ้าหผือยังยังยังไม่ค่อยจะพร้อมนะถึงแปะนคือคือว่าแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งเป็นข้อๆได้ไหมว่าใช่มันก็ได้เป็นมันก็ถ้าเหมือนกับทำข้อสอบ ม, มันมีแปดข้อคุณทำ รี่ข้าคุณก็ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ได้ c ีได้ดีไปถ้าอยากจะได้ดีได้เอก็ต้องทำให้ครบแปดข้อแต่ว่าเราไม่ไ้าอย่วัดนะไม่ที่ก็ไม่ต้องอยู่ที่ไม่ต้องอยู่ที่วัดแี้มันอยู่ที่ใจสีลมันอยู่ที่ตัวิญญาไปอ้างสังคมเองเรามีอยู่ในสังคมอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบเมื่อผ่านมาท่านทำสมาธิอย่างดีเลยนะคะที่แล้วเนี่ย แล้ววาระทิพย์นีคนชวนไปดูหนังหนังดีด้วย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องคนพบคนพบของวิธีทำของคอมพิวเตอร์ป <c oughs> าบอกว่านั่นก็ดูตอนตอนบ่ายคืนนั้นก่อนนอนอ่อ3ทุกปาบอกว่าสมาธิพังนะไม่ไม่สงบกัเลยซึ่ง ท, ทุกทีก็เป็นได้ดี มอท่านที่จริงก็มีส่วนส่วนนะพิสูจน์ได้นะว่าถ้าไปดูหนังดูริเกดูละครเนี่ยจบเลยจบเลยสมาธิจบเลยห<บ>ายไปเล ย, ยเพราะว่าวเวลาดูมันปรุงแต่งไปกินมันกินจินตนาการไปมันก็ไม่หยุดยพอจะมานั่งมันยังกินจินตนาการอยู่ในใจนั่งสมาธิมันยังโผล่ข้มาอยู่ในใจ อันนี้เห็นด้วยนะคอันนี้เห็นด้วยว่าควรจะรักอันนัถ้าเจะจะแบบให<ต>้มีา ก, ก, การกลางประจินบัสถ้าอยากจะละกิเลสอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับดักหนึ่งต้องออกจากความสุขทางโลกอันนี้ข้าพศวไม่ไม่พิสูจน์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าทาําไมะเปมาข้ามกันนะนะใช่อันนี้เห็นชัดๆเลยอืนน คนได้ปฏิบัติสมาธิด้วยถึงจะเห็นไหมว่าอ๋ อ, อมันมีผลกระทบต่อสมาธิ อ, อมากเลยนีน่ผมบอกว่าต้องเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรักษาสีแต่ได้สักกี่วันอควรจะเริ่มรักษาให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นทางออกของการไปสู่พระนิพพาน แล้วออกจากการเยี่ยนไหวก า, ายเกิดก็คือตาม ร, รักษาสิ่งแต่เนี่ยด่านแรกประตูแรกประตูแรกเลยอ้านี่แค่แค่เป็นมนุษย์ห้านี่ยังไม่ออกห่านี่ยังเพียแต่รักษาไม่ให้ตกไปในอบายไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานไม่ให้ไปตกนรกแต่ยังต้องเวี่ยนไหวาตายเกิดอยู่ใ น, ในพบแล้วอีกข้อหนึ่งท่านอีกข้อหนึ่งที่ที่เกี่ยวกับเรื่องนอนนอน นอนบนพุ่หนาหนานอนสบายสบายมันจะนอนมากเกินไปอันนี้ต้องนะก็ลองดูสิถ้าอยากจะนอนน้อยๆลองลองนอนนอนบนพื้นแข็งๆนอนได้พราะร่างกายมันพักผ่อนพอแล้วมันก็ตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอนะมันเจ็บหลังลุกลกขึ้นมามีง่วงจับเลยนะเนี่ยนอนต้องง่วงมหาศาลเลยก็น่นแะมันถ้าร่างกายมันร่วงที่ไหนมันก็นอนได้นอนตรงไหนมันก็นอนได้ แล้วพอมันพักพอมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีกิเลสอยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้ามันฟุน้งหนาๆนี่พอมันร่างกายได้พักตื่นขึ้นมาแล้วมันยังนิ่มยังสบายขอตายสักรอบกนะ็เลยไป 3-4 ชั่วโมง เ, เสียเวลาอันมีค่าไปเวลานี้มันน้อยลงไปเรื่อยนะเวลาที่จะได้ปฏิบัติมันน้อยลงไปเรื่อยนะเนี่ย วินาทีเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปมันไปแล้วมันไม่กลับเหมือนแสงเทียนที่เราจุดแ่ะเมื่อเราต้องเขียนหนังสือแข่งเวลาแข่งแข่งกับแสงเทียนที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเรามีนั่งนั่งนั่งเฉยๆไม่เขียนเดี๋ยวเทียนมันก็หมดแต่พอหมดมันก็มืดมันก็มองไม่เห็นมันก็เขียนไม่ได้เวลาของเราเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีมันไม่มีต่อเพิ่มอายุเหมือนกับรับราชการเออ ทำงานที่อื่นเยังเขายังให้ต่ออายุได้อายุทำงานต่อได้แต่อายุปฏิบัติมันต่อไม่ได้มันนี้แต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆเนีย่ยต้องให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันจะได้กระตือรือรน้นไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพรุง่ง <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำไว้ได้เดี๋ยววนันนี้ไปดูหนังกับเพื่อนหน่อยเกงใจเพื่อนจะเหนมันก็อ้างเพื่อนเกงใจเพื่อนควาจริงตัวมันเน่อยากไป ถ้ามันไม่อยากไปเราให้ช่างมาฉุดมันก็ไม่ไปใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมอีกสามตัวเนี่ยนะฮะมันสำคัญมากที่จะจะไปเนี่ยนะเพราะมันตัดตัดไอ้ตัดการไปติดอยู่กับความสุขทางโลกซึ่งเป็นเหนือนเหยื่อที่ดักที่เขาเอาไว้ล่อสัตว์ให้มันติดอยู่ในกลับไย อยากออกจากอยากจะออกจากกลับหรืออยากไม่อยากจะไปติดกับก็ต้องอยากทอดไปกินเหยื่อนั้นเนี่ <c oughs> ยา ก, การมาการมาสุขเขาเรียกการมาสุขความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายาถูกเลี้ยงมาดีเกินไปนะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นไม่หรอกกิเลสมันมีฝังใจเลี้ยงดีไม่ดีมันเหมือนกันทั้งนั้นนะ่ะขอทานมันก็ชอบห <c oughs> มามันยังชอบเลยอยว่าแต่ขอทาน <c oughs> มันมีด้วยกันทั้งนั้นอ่ะ หมาให้ปีนไปนอนที่นอนคนนะใช่เราลองมีที่นอนดีๆมันเลือกมันรู้จักเรือกเองเนี่ยเนี่ยคือตัวสำคัญคือความสุขทางโลกเนี่ยถ้าเราไม่เห็นโทษกับมานนี่เราก็จะถูกมันหล อ, อให้อยู่กับมันไปแล้วอยู่ไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาหาใหม่ตาย้วก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่รักษาสีหน้าก็กลับมาเกิดเป็นหมา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 มนุษย์นี่พบมนุษย์เป็นพบกลางๆพบที่ว่าบุญหมด บ, บาปหมดบาปหมดแรงที่จะดึงไปอาบายมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์บุญหมดแรงที่จะดึงไปสวรรค์มันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อ๋อให้โอกาสให้โอกาสที่จะมาอ่าเนี่ยแหละฝึกใจฝึกตนว่าจะไปไหนดีใช่เนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเหนปั๊มน้ํามันอ่ะการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนปั๊มน้ามันหรือธนาคารก็ได้ จะจะไปฝากเงินก็ได้แล้วจะไปกู้เงินก็ได้ถ้าฝากเงินก็มีเงินฝากถ้าไปกู้เงินก็มีเงินกู้เป็นหนี้มีหนี้กำลังไปใช้หนี้ถ้ามีเงินฝากก็ไปไปเบิกเงินฝากง่ายในอนาคตสอนให้สอนให้ไปสอนให้ถือสินแตกไปไปนิพานถ้าไม่เอาก็อืถ้าอยากจะไปนิพานก็ต้องถือสินสินแตกเท่านั้นนะ คือเริ่มต้นที่ศีลแปดนั่นยังต้องมีสมาธิมีปัญญาอีกถ้าจะไปแค่สวรรค์เป็นเทวดานี้ก็แค่รักษาศีลห้าแล้วก็ทำทานไปก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นนีสนรุกนล้วว่าถ้าเผื่อถ้าเผือเราทำทาสมาธิจิตจิตนิ่งมีเขาจริงจงจังๆแล้วแต่ยังแต่ยังยังรักที่เหลือ ไ, ไ, ไม่ได้ยังไม่ไป ไปทำอยู่ในสินแปดเนี่ยก็หมายถึงว่าที่เราทําทําไปก็เจ้าไปเข้าไปดูไปอะไรไปไม่ถึงสักทีก็ไม่ไปถึงไม่พ่านสักทีถ้าสมาธิไม่ถึงแล้วสมาธิก็ไปแค่พรมโลกแต่เป็นพรมโลกที่ต้องเสื่อมเหมือนไปทักโรงงานห้าดาวแล้วท่องเงินหมดก็ต้องย้ายอาอกก็ไปย้ายไปอยู่โรงงานสามดาวสองดาว ตามลำดับกำลังของเงินที่เหลืออยู่บุญเป็นเหมือนเงินบุญที่ได้จากสมาธินี่เป็นเป็นโรงแรมระดับห้าดาวส่วนบุญที่ได้จากทำทานรักษาสี่นี่ระดับสองดาวหนึ่งดาวก็เทวโลกแล้วพอหมดบุญหมดเงินจ่ายค่าโรงแรมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำงานหาเงินใหม่มาสร้างบุญใหม่ถ้าสร้างบาวก็ต้องไปใช้กรรมใช้หนี้ ไปติดคุกไปเป็นเดรัจฉาน <c oughs> ไปเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นสัตว์นรกถ้าอยากจะไปเหนือเหนือเหนือพรมโลกก็ต้องไปวิปัสสนาต่อได้สมาธิออกมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแล้วก็มีแล้วก็มีเศีลแปดที่ท่านบอกนะอันนี้ก็ต้องรักษาตลอดเวลาไงนี่นหมายถึงว่าข้าว่าอนี้ไม่ได้นะ ถ้ามันไปสมาธิไม่มันไปไม่มีแรงไปถึงพรมโลกเอ๋อมันจะมัวไปดูหนังเอีอหมเรื่อ น, น, นี้ก็พูดอยู่แล้วเดี๋ยวก็เรื่องนั้นก็ดีเรื่องนี้ก็ดีนี่กระด้า น, น, นยังต้องไปปรับตบปับตรงตัวแล้เนี่ย <laughs> นั่นนะสิท่าไม่บอกเนี่ยว่าประตูมันอยู่ตรงศีรษ น, นี่ว่อยยอาอย่างเออหลังยลอยชายอยู่นั่นแหละเห็นไหมเราฟังเทศน์นี้ได้ประโยชน์นี่ได้ประโยชน์ต้องขอบคุณคุณจบนี่ยไปลากตัวมาเอ ได้การได้ได้ฟังธรรมก็จะได้ยินในฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ฟังแล้วเมื่อฟังซ้ามันจะได้เข้าใจดีขึ้นจะทำให้เราคาจัดความสงสัยได้ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องทำให้จิตใจสงบผ่องใสเนี่ยอันี้สมของการฟังเทศน์ฟังธรรมใจถูกทาง มันกลับไปรักษาสีแตกได้เรานับดูตั้งแต่เกินมาเนี่ยเรารักษาสีแตกได้สักกี่วันเนับมันไปเปรียบเทียบกับเรามาแข่งกับเราดูว่าเรารักษาสีแตกได้กี่วันเดียวแล้วใครมาแล้วใครมาวัดกันว่าเวลาเรามองพระแล้วเราดูถูกท่านเนี่ยเราไม่เคยวัดวัดปริมาณของเรากับเขาดูว่าเป็นไงเราไปดูถูกเขาว่าเอ้ยเขาก็แค่นั้นแหละแค่โกนหัวผมอ เขารักษาศีลได้เรารักษาศีลอย่างเขาได้หรือเปล่าแต่แต่ไม่ไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวนะรักษาศีลแล้วต้องนั่งสมาธิด้วยนะอ่ะ ต, อต้องต้องปฏิบัติเ ข, ข้าใจตรงที่ทั้งสองเออเอแต่เพื่สมาธิคคือว่า ฟังหรืออ่านจำไม่ได้ที่ท่านผ่านใในคำถามมีคนบอกว่าไปเดินเดินสมาธิเดินไปเนี่ยเดินสมาธิแล้วแล้วจิตสงบไหมบางคนก็สงบว่าเดินเดินไปเนี่ยเท้าเนี่ยจะจะเหมือนกับเดินเดินเบาๆปุยนุ่นใจมันลอยใจมันเบาก็เลยรู้สึกว่าร่างกายเบาตามไปด้วยแล้วท่านก็บอกว่าแล้วท่านเกาบอกว่ามีมีหลวงปู่องค์นึง ท่านก็ท่านก็เดินตรงๆนี่นนป่าเนี่ยแล้วท่านก็ถือสกกีอ้อย่างนี้แล้วท่านก็ท่านก็อาจารย์บานกับเสือจะาเอกับเสือจาเอแล้วท่านท่านก็เลยยิ่งเร่งเครื่องใหญ่เลยสมาธิของท่านแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยลพอมาอีกทีหนึ่งก็เห็นว่าเตียนที่นี่เตียมันมันไหม้หมดไปแล้วแล้วท่านก็แบบ อันนี้หมายถึงว่าท่านเนี่ยนะพอสมาธิมันเข้าปั๊บตรงนั้นเสือก็อยู่ตรงนี้นะท่านก็เลยกลายเป็นขอนไม้ท่านเลยนิ่งไปเลยนาเงื่งสงบจิตเป็นสมาธิอปล่อยวางร่างกายจิตเข้าไปข้างในไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแล้วจิตมันไปไหนจิตมันหายรู้เข้าไปข้างในอนะอ่มันเข้าไปข้างในแล้วเทียบกับคนที่แบบเดินจงกลมแล้วมันรู้สึกว่าเดินมันปุ๋ยนู่นมันเข้าไปไม่หมดมันเข้าไปรึ่งหนึ่ง คือคือมันจะเข้าไปหนีอยู่ข้างในอะฮ ะ, ะเข้ามีตรงไหนฮะเข้าไปใน จ, จุดที่เรียกอัปปนาสมาธิไงตรงกลางตัวรู้<ะ>เข้าไปที่ตัวรู้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหลอไม่ไหนมันต้องอยู่ในจิตต้องรู้ด้วยสติรูด้ด้วยรู้ในตัวเองอไม่มีใครต่ อ, อ, อมันอยู่ เ, เขาเรียกว่าเข้าไปในที่ตัวรู้เหรือหรือสักเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างหายไปหมด ร่างกายก็หายไปอะไรก็หายไปเยอืแต่ตัวรู้ตัวเดียวตรนี้ตรนี้ตรี้ยงโยงโยงก็ตั้งการทางแนะนำให้สมาธิใส่นะคะก็ก็ทําแล้วมันก็ก็ไม่ทราบว่ามันสงบหรือไม่สงบหรอกแต่ว่ามันมันก็แบบว่าที่บอกว่ามือเมันแข็งใช่มือ อันเท้าที่เหยียดไปก็ไม่รู้อ่ะมันมีตะรู้สึกว่านั่งกับมหนังสงบมันเริ่มสงบไปแล้นะตอนนี้พอนั่งน่งไปนะมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับกระชานอะเหมือนคนเหมือนหนาวหนาวเนี่ยมันผนลุกอ่ะอออันนี้มันเริ่มนะฮะมันไม่เข้าเหมือนเข้าไปเหมือนหลมตาที่ที่แบบว่าอันพราะว่ามันเข้าเปนแบบกระชานหัเพราะว่ามเหตุการบังคับ พอเราจิตใจจิตมันตกใจกลัวมากๆแต่มีสติเดินไว้มันก็เลยมันก็เลยเข้าไปที่มันที่มันปลอดภัยที่สุดเืราะว่เวลาอย่างธรรมดาเนี่ยอย่างท่านเราคุยธรรมดาเนี่ยหาทางเดกันเด็กกันที่ว่าเดินจมมาครับผมมีอยู่ครัง้งหนึ่งคือเดินจบกรมไปแล้วมันเท้าเบาก่อนอแล้วแล้ ว, ล ว, ลวมันไม่รู้สึกตัวละกีจจิตที่รู้อืมเ็จแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยถ้า แ, แล้วมีเสียงของจิตที่บอกมาว่า ทางในโลกนี้ไม่ว่าทางแม้หุ่นผิวหรือว่าเป็นทะเลไม่ยงมีทางเดินเสมอหมายถึงว่าพบชาติไม่มีทางจะจบแต่บนทางเดินจงกลมเนี่ยมันมีทางจบเสร็จ แ, แล้วมันมีแสงขึ้นมาแต่ขึ้นมาเสร็จต้นมงต้นไม้ก็ค่อยล้มลงไปแล้วก็พื้นดินก็แตกแตกแล้วก็เหมือนก็จบแตกนะครับจนเหลือแต่ความว่างแล้วเกิดดวงสว่างขึ้นมานด้วยดวงสว่างขึ้นมาเนี่ยจิต ก, ก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความว่างเปล่า อ, อันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่พูดถึงสมาธิแต่ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอันนี้คือปัญญาถูกต้องไหมครับปัญญาที่คิดก็ <c oughs> ถ้าเป็นปัญญาคือก็ต้องปล่อยทุกอย่างไานหมดมันปล่อยได้ไหรือเปล่าราบยศ <c oughs> แต<ล>่ละเสดคือยังยังยังไม่ได้นั่นสินก็อาจายว่ายังไม่เป็นปัญญาอ่ามันมันเป็นสอนเนาะอ่ามันเป็นมันเป็นคํำสอนไงหรืวที่คุณเอามาเอามาใช้ตามที่คุณได้ได้รับรู้หรือเปล่า นั่นนั่นคือความจริงของโลกความจริงของโลกคือไม่มีอะไรคืองว่าอันนี้ก็คือหมือนสงจิตอบรม จ, จิตใช่ไหมครับก็นั่นแหละ<อ>ก็ทําอบรมจิตคนปฏิบัติทํา ท, ทําโผขึ้นมาคนเรียกเรกว่าปัญญาก็ได้แต่มันเป็นปัญญาที่เอามาใช้ในในชีวิตของคุณได้หรือเปล่าถ้าคุณเอามาใช้ในชีวิตของคุณได้มันก็เป็นปัญญาเือต้องมาลากกี่เลยแต่ถ้ารู้เฉย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 ยังยังได้ของจริงอยู่ใช่ไหมเงินก็ยังจริงอยู่นะขนมนมเนยก็ยังจริงอยู่นะอมันไม่จริงคุณต้องต้องเห็นว่ามันไม่จริงต้องเห็นว่ามันเป็นความว่างกินก็ได้ไม่กินก็ได้ต้องเห็นอย่างนี้มีก็กินไม่มีก็ไม่กินก็ได้อย่าไปกินตามความอยากอย่าไปทําตามความอยากเพราะมันเป็นของว่างอยู่แลนวไม่ใช คือมันไม่มีอะไรเราไปหลงมันเองว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงเราเป็นโลกมายามันไม่ใช่ถึงของจริงแต่เราไปหลงหลายว่ามันเป็นจริงกันจังคือคือไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคือพอพอเราเราทําสมาธิแล้วดูจิตดูอารมณ์ที่มุ่เกิดขึ้นมามันจะมีอุปทานคือความยุติจิตในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราเราต้องการจะระงับในกิเลสหรือว่าความอยากรูปทานอาชีวิตต่างๆเราเราจะ จะลำดับเหตุการณ์หรือว่าเราจะจะแก้อย่างไรก็ต้องเห็นว่ามันว่างไงมันไม่มีสาระสำคัญก็ปล่อยมันไปนะคือไม่ต้องไปแยกแยะแต่ดูเป็นกิเลสเป็นรูปเป็นนามเป็นอย่างนเดียวแล้วก็ดูอุปทานที่ยึดตนั่นแต่ละคนก็ลำดับปัญญาของแต่ละคนมันก็แล้วแต่ระดับของเขาถ้าคุณอยู่ในขั้นแยกแยกคุณก็ต้องแยกไปแต่เมื่อกี้คุณพูดถึงขั้นสูงสุดว่า คุนั้นทุกอย่างมันว่างไปหมดแล้วไม่เลยคุณก็เอาอันนั้นมาใช่สิเป็นมองทุกอย่างตอนที่ผมท่าอย่างนี้ครับทําว่าจิตบ้างเจ็บเจ็บอารมณ์เช่นว่าอ่าสมมติอย่างอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันจิตบ้างที่เป็นตัวเจ็บเจ็บอยู่ทอนี่ที่ทำนะครับอารมณ์มันมากหรือมันน้อยคือมันมันมีอารมณ์เกิดขึ้นบ้างหรือน้อยเจ็บเจ็บอับฟองบ้างที่เราเคยเคยคิดตรงนั้นนะครับมันเป็นมันน้ำไม้มันทัดนครับมาวัดกับอารมณ์คือว่าเวลาที่ตาเราไปเห็นลูกแล้วเกิดอารมณ์สัญญาขึ้นมาแล้วก็เอามันทัดเหมือนได้วัดว่าาเอมนนกขึ้้ยลง ไปดูตัวเองอยู่ตลอดแต่ก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันไม่ทำมันไม่ให้มันหมดไปแค่เลยนะครับก็รอไม่ยาณลมก็ตัดตึงไปเลยสิบอกมันมันของหลงของหลอกเรามันจะมีบางอันที่ตัดได้ด้วยคือมันจะมีแบบคล้ายๆกับว่าเป็นแรงดึงที่เยอะกับน้อยเวลาเยอะนี่มันมันเอาไม่อยู่อฉันถึงบอกว่าเวลาเห็นอะไรในสมาธินี่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเห็นไปตลอดเวลามันเห็นเฉพาะตอนนั้นพอออกมามันก็ หายไปถ้าหายไปมันก็เอามาทําประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วไม่มาซ้ำอีกล้วท่นก็อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องต้องนึกถึงมันบ่อยๆไงมันไม่มาซ้ำอีกก็มันไม่มาซ้ำเราก็ดึกมันมาใช่แล้วก็นึกถึงมันไปจำได้อ่าจำมันได้แล้วเอามาใช้มันได้เนี่ยเอามาใช้จิเพืจิตพออย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาจะดูหนังก็บอกว่ามันมีแต่ความว่างมีแต่แสงไปดูอะไรถูกหลอดูหนังมันก็มีแต่แสงนั่นแหละใช่ไหมหนังมันก็มีแต่แสงไม่ใช่เหรอ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 เราต้องทำลายตัวความอยากนี้ด้วยการไม่ทำไม่ทำตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูมันพอเราไม่ดูมันต่อไปความอยากมันก็ไม่มีกำลังที่จะเบรนเราไปดูเนี่ยเราองการตัดตัวความอยากคือตัวกิเลสมันีงตรงที่พระอาจารย์บอกว่าตัดตัวความอยากแบบนี้ความอยากบางตัวเนี่ยมันเป็นคนเชือ่อชีพนึงมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เยอะของจิต สี่ก็มีกําลังคราวนี้เวลาที่เรามีสติหรือกําลังของของสมาธิมันก็สติน้อยอย่เงครับคราวนี้บางทีมันเขาเกิดขึ้นเร็วแต่ตามรู้มันกลายเป็นการตามครับคือทํายังไงจะให้สติมันเร็วขึ้นหรือว่าจ ต, ต้องอยู่มีเปียอารมณ์อยู่ครับแล้วอารมณ์เดียวกับพุโทโธกับอะไรไปทำต่อเ น, นื่องแล้วมันจะสติก็จะเร็วขึ้นแล้วมันคงขึ้นอ่าแล้วมันก็จะมีแรงหยุดหยุดความอยากใช่คือบางทีผมผมดูอารมณ์บ้างไปดูพุโทโธบ้างที่เราหมายใจ บางทีก็ไปดูท้องดูการเจ้าเดินดูปิฎยาล่างกายแต่บางครั้งก็ไปจุดจ่ออยู่กับ ง, งานเวลาทํางา น, นะะแล้วบางช่วงก็หลงบ้างก็มีออตรงนั้นนะครับเป็นจุดอ่อนทําให้อารมณ์มันรั่วมันต้องลองหยุดทํางานสักวันแล้วอยู่กับอารมณ์เดียวไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆมันถึงจะหยุดจิตได้อารมณ์เดียวหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่รู้แล้วปล่อยว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คือกรรมฐานไงพุโทโธก็ได้ดไดอะไรร่างกายก็ได้ าให้อยู่กับเรื่องเดียวเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆต้องการหยุดความคิดตวงแต่งถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันนี้มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะว่างแล้วมันก็จะเย็นแล้วก็จะหยุดแล้วเกิดความอยากเราก็จะได้มีกําลังหยุดมันได้พราะเรารู้จักวิธีหยุดจิตแล้วเราได้สร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดจิตได้แล้ว ีนขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอสอดส่องดูว่านี่เป็นกิเลสหรือเปล่าถ้ามันกิเลสก็หยุดมันมีหลายครั้งครับที่ว่าจมมีอาการอารมณ์อยากอาหารอย่างนี้คนระับ <c oughs> แล้วพอสติไปเห็นทุกอารมณ์นั้นมันดับทันที <c oughs> อย่างนั้นซึ่งคือใช่ <c oughs> ถ้าจะกินเนก็กินเพราะมันจําเป็นถ้งเวลาร่างกายมันต้องมีอาหารมีนะ้ําก็ให้มันกินตามความจําเป็นแต่อย่าให้มันกินตามความอยากเช่นกิน วันนี้กินหนึ่งเสร็จแล้วก็พอละอยากยัางไงาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นความจำเป็นละแล้วอย่างคุณนี่ไม่กินนักสิบวันก็ไม่เป็นไรเพราะคุณกินเผื่อไว้นะ่ะมีอาหารสะสมไว้ในร่างกายพออยู่ได้สิบวันไม่ตายขอให้มีน้ำดื่มลองทำดูแต่ลองสุกกิเลสเรื่องกินดูเนี่ยไม่กินนักสิบวันดูยินเดินแต่น้าไปร่างกายคุณจะมี จะลดน้ําหนักลงไปได้แล้วจะลดกิเลสไปได้ด้วยเพราะที่มันกินนี่ก็กินเพราะกิเลสถ้ามันถ้ากินถ้าไมไ่กินเพื่อกิเลสจะไม่ใหญ่แบบนี้หรอกการใช่ไหมถ้าอยากจะอยากจะดูว่ากิเลสลดไปลดก็ดูน้ําหนักก่อนยนะปฏิบัติทําก้าวหน้าไหมก้าวหน้าก็าไปชั่งน้ําหนักดู ว, วันนี้ลดไปกี่กิโลกิเลส แต่ถ้ามันกลับมาเป็นปกติแล้วก็ใช้ใช้น้ําหนักดูไม่ได้นะ่ะถ้าดูน้ําหนักเดี๋ยวร่างกายกลายเป็นเป็นโครงกระดูกเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ไม่อันนั้นก็เกินไปละไม่จําเป็นสายการสายการาการ็คือน้ําหนักคนจะพอดีกั บ, กบความสูงของตนสูงขนาดนี้น้ําหนักคนจะเท่าไหร่กันคนจะมีเท่านั้นสมาธิไปลมลมจ้บ ก็ความคือคือควาหมายของอาจารย์คือคนเรามักจะปล่อยเลยในสิ่งที่ตัวเองชอบเ อ, อทําตามความอยากเพราะชอบแล้วก็อยากครับตรงนี้จะเป็นปัญหาได้เยอะ อ, อ, อ, อย่าอย่าทําตามความอยากความอยากก็คือกิเลสแล้วมันขนเป็นสิ่งที่มันจะทวีคูณมันถ้าทําตามความอยากแล้วความอยากมันไม่น้อยลงมันมากขึ้น ถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะน้อยลงไปแล้วก็หมดไปสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้หยุดมันสตินี้เป็นเหมือนเบรกคือวันนี้ได้ไม่อะไรตัาอยากกันตัวผมเองชอบให้ก่อนสิะศห้ามากกว่าเรามีความคิดว่าเมื่อศีลห้าแข็งแรงแล้วระดับจิตยดไปเดี๋ยว จะยกความนี่ตรงเพิ่ ม, มพิีเพราะพิธีไม่ได้ฝืนอะไรเลย เ, เพราะสี่ห้าตัวนี้มัเป็นกกติกาเพราะว่าใชใจใจใ จ, ใจใใ<ช>ักษาขั<ช>้น<ช>ต่อไปก็ลองรักษาสิบแดดูสักวันมาทิละวันก่อนก็ได้ตั้งใจทีก็ทาได้ได้ไม่ยากอรอกเพราะว่าจริงการฝืนตัวเองให้ปฏิบัติตลอดมันยากกว่าอีแล้วกิเรมาหลายวัมแต่นี่คือไม่ให้ความสคัญเองใช่เรไม่เห้ความสาคัญอย่างไร กิเลสเป็นพยายามที่จะไม่ให้เราเห็นความสําคัญของธรรมันย้ายความให้เห็นความสําคัญของอาหารของขนมนมเนยมากกว่า ย, okay. ยังแค่สี่ห้าก็จริงๆคนธรรมดาก็ว่ายากครับแต่พอไปไปเป็นจิตรักษาแล้วมันไม่ต้องสืออะไรเลยพระจิตก็รักษาของเขาเีงจิตก็รักษาเองอแต่นี่อย่างที่พรอาจารย์ว่าไม่กั้งใจอถ้าตั้งใจถ้าตังใ จ, งจก็รักษาแล้วถึงแต่คนงตั้งใจก็ไม่ยากอยู่แล้ว อย่กินอย่างเดียวครับผมเพราะว่าผมนอนที่นอนต่ำอยู่แล้วผมนอนแบบไอ้มหัดอยู่แล้วเนี่ยกามเล้โย <c oughs> น, น, นอนนอนเลปวดกระดูกเลยดียวนะลองไปทำนะใส่สินหแล้วนี้ก็ต้องขยับขึ้นสิบ8ปดสิบแแล้วก็ต้องปฏิบัติครับเต็มวันทั้งวันเลยหยุดเรื่องทีสิห้านี่ครับ ของผมเป็นระดับที่ว่ารักษาเองแต่ว่ามันรู้สึกมันจะขาดเมตตาหมายความว่าในในระดับของความละเอียกของจิตแล้วอ่ะอย่างจัดเล็กจัดน้อยที่มันอยู่ตามพวกอย่างเช่นมดในท่วมหรือว่าอย่างเอ่อสัตว์ที่อยู่ตามใบไม้ที่เราจะเผาเนี่ยคือตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นความเอียดของจิตแล้วควรนควควรจะมีเมตตาเนี่ยครับเราก็ต้องวังว่าเขากับเราก็เหมือนกันถ้าเราเป็นมดเราจะกล้าจุดไฟเผาเราไ้ย ใช่เขาก็มีจิตใจเหมือนเราเขาก็มีร่างกายเหมือนเราแตแต่ว่าร่างกายเขามันเล็กกับเราเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกนึกคิดความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกไฟเผานี่เหมือนกันที่ร้านร้านกาแฟทา่นยนต์ี่มีสวนในแม็กซ์เออมีจอมปลวกนะตั้งแต่เขาเล็กๆแค่นี้เรารู้สึอยู่ ก็คนสวนมาก็บอกว่าเอ้ยอ็ชี้ชี้เท่งใกว่านี่ไป็นยุ่งของฉันเดี๋ยวนี้เขาขนาดนี้แล้วนะฮะเขาก็อมต้นไม้อะไปไปก็ปล่อยเข้าไปเขาจะเป็นภูเขาก็ปลอดเข้าไปลงไปทําะไ้อไงโอ้โหไม่รู้ไม่รู้กี่โกรกี่ล้านงดในนั้นนะจอกหลกที่มันอยู่ในนั้นจริงไหมท่าใช่เป็นเมืองไงเปนเมืองเลยไปเทิงระเบิดเนีวเทียในกรุงเทพเนี้ยโหกรรมเวรเลยแบบนั้นอ่ะ เราอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราก็ย้ายไปอยู <filters> ่ที mies, ่อเพื่อที่จะปอดภับ้านเป็นเมืองของเขาจะเราเขาเขากินเขาก็ไม่รู้ว่านั้นคือของใครจริงมัก็ไม่มีเจ้าของเอแต่เ้าเป็นไปเป็ิดุกขเอาว่าบ้านเราอที่ของเราเองกาไม่รู้จริงมันก็ไม่ไม่ใช่ของเราเพราะเราก็เสื่อมจะหลายไปวันหนอืงของของเราชั่วข่าว คือไม่ต้องทำบาปเพื่อรักษาหรอไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าไงไม่ชคอางช่วงเวลาทำงนที่เราไม่ได้นั่งเป็นแบบเป็นชั่วโมงอย่างนี้ น, นะคะน่ะวิโได้ไมไันก็มันก็พัฒนาได้ใช่ไหมจ๊ะคะก็ได้ดังได้ในระดับของสติถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งเออมันถึงจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้ สติพยงจะดึงจิตไม่ให้ไม่ให้ลอยไปลอยมาท่านั้นแต่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่ต้องเข้าไปต้องนั่งมันถึงจะเข้าไปได้มอย่างงิบัติบูา่อน น, นคะคที่พูดว่าในใ น, ในเจอับอ่านั่งนานๆนั่งจอย่างจร่างกายจะแตกเ็นโยมอย่างนงนั่อนอัน<อ>นั้นเป็นอกระดับหนึ่งระดับคะทีนี้หมายถึงว่าแลอย่างระดับอย่างโยมเนี่ย ค, <อ>คือว่า ชั่วโมงหนึหอวไปกี่ชั่วโมงนี่เตัดสินด้วยดูกําลังของสติเราเวลาถ้าสมมติว่าเราหน้าก็เจ็บปวดถ้าเราอยากจะนั่งต่อแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดพุดโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปทําอะไรก็ได้ทําให้ใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะนั่งต่อไปได้แล้วบางทีมันก็จะปล่อยความเจ็บนะั้นมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วมันก็จะนั่งต่อก็ได้สองสามชั่วโมง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 ไม่มุ่นวายใจไม่เดือดร้อนมีมีควารู้จักที่ว่าคุณหาพตั้งสมาธิแล้วเสร็แล้วเขาหนึ่งตัวว่านั่งแล้วจะตายสองกัวว่านั่งแล้วกิจจะหลุดจากมันไม่ได้มิจฉาที่ฏฐิคือพรุ่งนี้นี่คือก็เขาเขามาถามผมเขาไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้เขาไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรขงเขาบอกต้องไปหาผู้รู้ไปหาผู้ที่ก่อนแมวของเ เขาไม่ได้ีเป็นอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้ตายจิตเขาไม่ได้หลุดไปไหนเนี่ยคือการปฏิบัติแบบไม่มีอาจารย์ไม่ศึกษาไม่ปริญัตก่อนต้องปริยัตก่อนถึงมาปฏิบตัติปริยัตเนี่ยต้องศึกษาบ้างคือให้รู้ไม่ใช่แต่ไม่ให้รู้ทั้งปะไตภัยปิดอกหรอกตป็งแต่ให้รู้วิธีการปฏิบตัติรู้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรแค่นี้ก่อน อ น, นี้ไม่ลุยหน่อยเหน่ก็ว่าไปแล้วนั่งแล้วจิตจะหลุดร่างกายจะตายนี่มันเอาอะไรไม่ใครมาสอนกันอ่ะมันจะคิดไปตามความ ร, รู้สึกไม่คิดของมันเองหรืออาจจะไปเห็นคนนั่งแล้วเป็นบ้าก็เลยคิดว่าโยนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันจะแตก แ, แล้วเป็นคนเขาชอคิดอย่าง น, น, น, น, นั้นก็กีเลสมันไม่อยากให้เราทําำแต่เวลาไปเที่ยวไปเล่นกายมานานเป็นบ้ามันไม่คิดจะงไงไใช่ไหมอ่ ถ้าอันไหนที่กิเลสชอบเนี่ยมันมันมันทำมันใครจะมาห้ามมันก็ไม่เชื่อเราบอกเอาบายมุกไม่ดีจะเล่นกายพนานแลหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่เชื่อะถ้ามันเล่นมันมันถ้ามันชอบด้วยมันก็จะเล่นเดิมสุราไม่ดีนะถ้าอะไรที่มันกิเลสมันชอบมันไม่สงใจไม่ฟังหรอกอันไหนที่กิเลสไม่ชอบนีเหตุผลมันหาหาเหตุปัดให้ไม่ให้ไปยุ่งเลย เนี่ยนั่งสมาธินั่งเฉยๆนั่งเกลียมันไม่ชอบอะไรนี่เลยติดสมาธิท่ไม่มีคนบอกว่าฉันติดสมาธินะบางทียังไม่ทัาได้สมาธิว่ากลัวติดสมาธิกันแล้วว่าติดสมาธิมันไม่เสียหายตรงไหนมันดีจะตายไปแต่ความสุขจากสมาธิมันความสุขเหนือกับความสุขทั้งหลายที่ติดที่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่ไปท่านปัญญาท่านนั่นเอง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 มันจะได้สุขที่ถาวรไม่ต้องเข้านั่งสมาธิอยูอยู่นั่งอย่างนี้คุยกันก็มีความสุขมันอยู่ในสมาธิานั่นแหละขั้นปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวตับกิเลสข้ากิเลสสมาธินี่เพียงแต่กดมันไว้หินทับยากปัญญานี่ถอนรากถอนโคนของยากไปปัญญามีประโยชน์กว่าสมาธาิถ้าติดสมาธิถ้าถึงวอดติด ควรจะออกควรจะขึ้นไปสู่ปัญญาไม่ใช่ว่าติดสนอที่เรากลับไปดูหนังไม่ใช่ปัญญาไหะติดหนังนีืก็ติดสมาธิหรอเรื่องเดียวใช่ไหมพอดีดูหนังก็เหมือนนั่งสมาธิไม่ใช่เหรอเวลาดูหนังนี่ติดจอไม่ไปไหนเลยปวดฉี่ยังไม่ยอมดกเลยวิดีโอเองเฟซบุ๊กเอง พี่นี่แตท่านคะกลับมากลับมาที่สนใจเลยังไม่จบเถามหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเจ็บนะ่ี่แบบว่าเกี่ยวกับหลงตาเลยที่ที่เจ็บเข้าไปอยู่ที่หัวมันนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เวลาตกปิติแล้วมันออกมันมันขยายตัวใช่ไหมคะ แล้วมันไปไหมันอยู่ทงตาหูจมูกลิ้นกายอ๋อมันออกมาผิวกายตาทุกชุดเนี่ยทุกสวยร่างกายเนจิตไม่ใ่กระแสจิตกระแสจิตวิญญาณของ consciousness ภาษาเราเรียกวิญญาณในขันธ์อะ consciousness ภาษาภาษาไม่ใช่ไม่ใช่งงกันอะรผัสไก่แปลว่า consciousness เป็นตัวออกมารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิตเนี่ยนะคะ กระแสมันกระแสคือว่าคือว่ามันอยู่นี่แล้วมันก็กระจายเป็นกระแสมันส่งกระแสออกมารับรูปเหมือนกับเอาเหมือนกับเอาสายไฟไปไปเสียบปั๊กอ๋อแล้วนี่เป็นเป็นเป็นเอเป็นทางข้ามมออกของนันมาเสียบใช่มันจะได้เห็นเห็นรูปได้ฟังเสียงได้มันก็ตัวเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันแฉะตาขากไปเหมือนเมืนเส้นยื่นมันมันถอดปั๊กเวลามันเข้าไปในสมาที่มันถอดปั๊กห้าปั๊กออก พักเสียงพักพักอะไรนี่มันถอดออกเข้าใจแล้วเวลามันอยากจะรอบรู้มันก็เสียบพักเข้าไปใหม่เหมือนเครื่องอันนี้นานซไีใครบอกเหมือนเครื่องอมของคุณเนี่ยเวลาทุณจะเล่นของมีเสียงคุณต้องเสียพักเข้าไปในรูเสียงก่อนอยากจะเห็นภาพต้องเสียพเข้าไปก่อนภาพมัน่อหัวนะตัวเมนโมเดมตัวฮาร์ดคอมมันอยู่นั้นอ่มันอยู่ในนั้นไม่ไเห็นหรอกตัวจิตอยู่ในนั้นอ่ะ แต่มันมีสายเชื่อมออกมาทางตาหูจมูกนิ้งกายเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเราเหมือนกันเราถอดปลักถอดปลักไม่รับรู้ไม่ฟังเสียงไม่อะเข้าไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยเขารตัวจิตเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิที่ที่ที่แบบว่าจิตจมูกนิ่งใช้ปัญญาทีหลังได้เนี่ยอืมที่ที่ที่แนะนำว่าดีที่สุดคือการปิดหมดอ่าต้องรวมเป็นหนึ่งเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ไม่ถาแล้วไม่ถามแล้วเข้าใจาลองไปทาให้ลองไปทำให้เจอไอ้ตัวนี้ก่อนใช่สงสัยอยู่นานลี่ทางนี้มีอะไรไหมฟังก็หมดแล้วฮะทังก็หมดแล้วแหละไปเก็บเอาข้างๆต้นเอาครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้หลายเรื่องได้เรื่องศีลได้เรื่องสองติได้เรื่องสมาธิ ต้องพยายาศึกษาอ่านหนังสือธรรมะให้มากๆก่อนใ น, นเรื่องต้นจะได้เข้าใจปล่อยต่ อ, ต อ, ตอเรื่องเเขาเกี่ยวกับ น, นิมิทนะครับเพรน้รนหลังจากถูกจบนะมีอันหนึ่งที่อาทิตย์ที่แล้วนก็จริงก็ก็รู้แล้วท่านบอกว่ามันก็นิมิตเชนะะหลักก็เออเท้าหลัะก็มีมีหนับเลยเลยก็ เห็นนะฮะเห็นว่าตัวเองนั่งนั่งอยู่แล้วมีแม่นั่งอยู่แม่ดังไม่ตายนั่งอย่ตรงนี้แล้วแล้วมันก็มีเสียงดังมากท่านแต่จิตรู้แล้วว่าเป็นฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมาให้เราก็ก้มหนีเลยค่ะไม่ได้กลัวตายหรอกว่ามันหนุกมันดังมากแะพอเปิดตาขึ้นมามันก็เป็นโคมไฟแปลกแปลกหมดเลย แล้วแม่นั่งตรงนั้นหายู่ไหนเ็กเขาผายไ่ไหนเดี๋ยวไปเ้าไปนอนนอนตรงที่นอนเตียงเดี่ยวก็ไปโลกเขาอะเป็นไงถูกฟ้าผ่าหรือเปล่าเขาเลยนะนมเหมือนแมวที่เพงตายอะอ่อนละทุยนะแม่ก็แม่ตยแม่ตายได้ไงก็เจ้อหนีงา น, น เขตายก็สองได้ไงอ่ะเขาตายไปแล้วอ่ะแค่จิตจิตมันก็แบบพวงแหลกก็ก็เลยต้องก็หยับก็ขยับตัวบอกมาบอกที่นี่มาทำไมทำไมมาสามสองบอกเราว่าแม่ตายหมจะมาลองหรือว่าเราจะร้องไห้อีกเปล่าพระตาท่านก็แล้วแต่เราก็แล้วแต่เราใช่ไหมและอันนี้เนะเป็น ไทยมาสอนแล้วก็จิตสอนจิตใช่ไหมคะว่ามาท้าทายว่าอย่างรวยป่ะทําสอนจิตทําที่เราได้ศึกษามามันจะมาสทดสอบเราอ่านของพระอาจารย์ทุกวันะหรือมันมามามามาแสดงแต่ละรูปแต่รูปมันมาแสดงผลของการปฏิบัติให้เรารับรู้ว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราเห็นแม่ตายเราไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องไห้แล้วเป็นละครเลยค่ะเป็นหนังไปแล้วเนี่ย นีะบางทีเวลาที่เราฝันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนจะรายงานผลการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ถึงตรงไหนแล้วเราไปถึงตรงไหนแล้วยิ่งก็ดีนะท่านก็ดีเลยไม่เหมือนการข้อสอบอะไรที่ต้องผ่านผ่านอันนีไม่กลัวนะเมื่อก่อนในท่านเมื่อก่อนนี่นะตั้งแต่ก่อนที่จะมาอ่านพระธรรมคาสอนของท่านเนี่ยนะ ครกบตั้งอยนะู่อังกฤษนะแล้วเงียบอยู่คนบ้านก็หลังเมื่อคืนมายักษ์สาไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกเลิกเรีย น, นนะสามีก็ไปไหนไม่รู้ไปก็นั่งอมผ้านะผ้าผวยชิ้นเป็นเลิศแล้วก็น้าวหนาวนะกลัวนะท่ากลัวว่ากลัวว่าจะมีอะไรอะ่ะพอาเสียงเลยเสียงเล่าอ้างเลยว่าเวลานั่ง น่าจะมาที่จะเห็นอะไรที่มันน่ากลียแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าเหมือนว่าจะเป็นบ้ากลัวเพราะความเคลียโดยไม่รู้เรื่องว่ามันคามันถึงเป็นอย่างนั้นอนี้พอมาฟังท่านแล้วโอ้โหไม่มีอะไรที่น่ากลัวทุกๆอย่างเป็นดิเป็นดวงจิตเป็นเพื่อนเราทุกคนเลยแล้วก็ตายตายไปแล้วก็แล้วก็ที่เราฝันสานไปแล้วก็เป็นเป็นหนังม้วนใหญ่เป็นเป็นภาพ เป็นภาพความจงของเราไม่ว่าจะชาติไหนเวลาไหนพบไหนที่มันซ<ม>้อนกันขึ้นมาใชคไหมครันะังหนก็เลยความกลั ว, วก็เลยหายไปอย่างนี้ไม่กลัวแล้วได้เลยได้เ<ม>ลยลกนะ็กล้าลกา็<ะ>ถามต้องถามตัวเองต่อวันนี้ต้องยังกลัวอะไรอยู่ก็ไปแจ้งมันต่อไปกลัวอะไรกลัวอะไรรักอะไรยองโวงอะไร ก็ต้องตัดมันให้ได้ชอบอะไรอยากได้อะไรก็ต้องตัดมันให้ได้นข้อสอบไม่ต้องให้ใจเราไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ก็จะพูดว่าอยากอยากไปนิทานนี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอยากอันนี้เป็นคนละเรื่องต้องพูดต้องพูดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องพูดว่าอยากนัคะแต่ขั้นสอนว่าเขาว่าอยากพูดได้เสนอให้รู้ว่าความอยากที่ตัดที่ต้องตัดจากความอยากที่ไม่ต้องตัดอ้าวแม่หนิ ่าเวลาคนเจ็บไข้ได้สวยคนอยากถายเน่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคนที่เอาอยากถายมันยังกินยาถ้าไม่อยากหายมันก็ไม่กินยาคนอยากจะไปนิพพานควรจะได้ปฏิบัติคนจะได้รู้ว่าไปนิพพานไปยังไงต้องตัดความอยากอย่างอื่นความอยากที่ต้องให้ตัดก็มีสามตัวแต่อยากอยากของดีๆอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องอยากอย่างกในลูกเสียงกินอยากในลูกเสียงกินวนี้ต้องตัด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 อะไรก็ตามอยากให้คนเขายกย่อ ง, สงเสรแล้วเสีนเยียนยีวนับหน้ า, นาถือตาต้องตัดไปความอยากแบบนี้ตัดไปแต่ถ้าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องตัดเพราะเหมือนถึง ก, กินยาตัวนี้เป็นยาต้องกินยาถึงจะหายเข้าใจแล้วเป็นข้อแม้ว่าการจับการจับการจับวิธีคิดของเราวิธีพูดของเราเนี่ย เราต้องมีระเบียบเนี่ยค่ะระเบียบของการพูดการคิดอ่อางไงหมอมีอะไรมหมยมันจะคล้ายๆกันเลคะอาจารย์แต่เดี๋ยวฟัวงไปแล้วเดี๋ยวคือที่ภาวนาทั้งหมดมาที่เคยบอกช่วงก่อนที่เจ็บสามอะคะ่ะ เงินเอ็นเจ็บสามนั่นหมายเถึงว่าที่เราได้ลองพยายามเก็บตัวภาวนาทั้งวันเดินจนรวมนั่งสมาธิแล้วพอวันในวันเด็ดแล้วก็วันธรรมดาจะนั่งสมาธิอย่ที่บอกนั่งมั่งเดินมั่งทำมานด้วยก็เหมือนกับเอเรียกว่าอะไรนี่อนุรักกัสังปทาแล้วประคองเอาไว้ที่อยู่เจ็บสาม เป็นอย73เจ็ดสามเจ็ดสามคือถ้ายาง ป, ปกติเนี่ยน้ำหนักจะรึ้นสิบกิโลค่ะถ้าเก็บตัวจะลดลงสามกิโลง km, องที่บอกว่าจานเจ็ดสามเกรดมันมีแรงเจ็ดสเรามีแรงสามสิบก็จะประคองเอาไว้เนี่ยคือที่ส่มาูก็จะทำหนเมื่อนทีทแล้วแลูกหมานี่ยกจามาเอามาปุ๊บเนี่ยถ้าจานเห็นเลยว่าการที่เราจะวาง วางของภายนอกที่จุดคองมีตุดคองเนี่ ย, ย, ยต่างกันลูกหมาตัวเล็กๆทำให้เราไม่สามารถเมนเทนแนนนั่งสมาธิในในใ น, ในวันธรรมดาไดา้ก็มาน่ารักก็อาจารย์เห็นทันทีเลยว่า ไอ้เอ้กำลังสติกำลังสมาธิที่เราพร้อมมีนิดหนึ่งที่เอาไว้ประคองแล้วูกมันร่วงหมดไปหมดไปไปอยู่ที่ตัวมาตัวเดียวหนูเลยต้องรีบเอาไปให้คนอื่นให้เข้าไปเลยฮะทีนี้ตอนให้เขาเนี่ยแล้วก็จะเราเห็นทีหลีกของเราเลยว่ามันมีหลายระดับมีคนเข้ามาเสนอให้ห้าร้อยให้เขานะะไม่ให้พันเนีไม่ให้ หนูเลือกพราะว่าหนูักมันหนูชอบมันหนูเลยต้องให้คนที่หนูรักหนูก็เลยต้องเอาไปยกให้พี่สาวหนูบางเราก็เลยเห็นว่าโอ้ยพี่เอม ง, งคลสุขที่บอกว่าอันแรกให้เสังเคราะห์บิดามารดาแล้วก็สังเคราะห์บุตรภรรยา อ, อันที่สามสังเคราะห์สมเคราะห์ยากเป็นลําดับมามันก็เป็นลําดับของสิ่งที่ถูกฝึกมา ลูกหมาที่หมดเลยับอา จ, จารย์วอืมดีนะจะไ ด, ไได้จะได้รู้ว่าเจ็ดสงา เ, าเป็นยังไงแต่มันทราบเลยนะก็ว่าจาว่ามันความถี่นุนเลยเบาเบาหมดเลยต้องเรียนมันหมดองหมดตัวแบบที่เวลาเขาบอกว่าเบานาต้องดเสียงนั่นแหละเสียงหมดเนืหมดตัวเสียง หลวงตาท่านก็ไปเสื่อมกับกดอันหนึ่งใช้เวลากับการทำกฎเลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิพอทำกฎเสร็จจะกลับมานั่งสมาธิก็ไม่สงบเลยเพราะมันมันจะทางยีแล้วอาจารย์พอเราจะเดินจงโรงเหมือนเดิมจนท่าสบายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ประมาณอย่างนั้นเลตอนนี้ยกใคเข้าไปแล้วใช่ไหยกะวันเสาร์บอกว่ามันอยู่กับหนูจะมาฟังทำก็ไม่ได้มาอีกไม่เอามันมาด้วยต้องโดนผ้าจา่าแน่หมดเลยครอาจารย์โห้ทราบความหมายของที่เขาบอกว่าภาวนาต้องเอากันจนหมดเนือหมดตัวหมดอย่างนี้จริงๆคอาจารย์ต้องไม่มีอะไรติดตัวเลยต้องตัวเปล่า อย่างพระเจดงเนี่ยมีแค่บริหานอัฐบริหานไปให้หแค่อันี้ทำหมดเนื้อหมดตัวเลยถ <c oughs> ามว่าไงพอยังพอจะให้พอนะญาติลาฤกษ์ว่าหาตุลาตาฤกตุเลนติสาคารังเอวะเมวะอิตูทินนางเปตานางังอุปกรัรปฏิ อิชิตังปัธ um ิตังตุมหังคิดะเมวะสมิจฉาตุสัะเทตุเรนตุสังกะปาจันโทปนนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิจโยวิวาจจานตุสัพพารุโควินัสตุมาเตทวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะ อาพิวาทา น, านัสสีลิสจาิตังวุฒาประจายูโนยตาโรธรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลางตืบบนที่แบบาาสงได้ได้งดู <letter ing> ได้เลยเอาไปต้องเอาไปอ่านนะถ้าไม่อ่านก็เดีย๋ยวไป ซีดีก็ไปฟังได้อันนี้นมอะไรท่านมาตอนนี้จะอาจจะมีเหตุสุดปยฟังพรอาจารย์ั้งแต่ตื่นนอนก็ก่อนนอนเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะไม่ได้ว่าง ง, งไงไม่หรอกงงไงอะไรฟังทํ่าฟก่อนนอนตื่นมา ให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลาแต่เราเลียงลูกทำงานในหน้าที่เสริมสวยค่ะถ้าเราไม่เสียหน้าที่องเราเราก็ร้องไห้แต่ก็พยายามสั่งเดิในคามสอนของหลวงพ่อฟังเพื่อไม่ให้ลืมฟังเพื่อไม่ให้ลืมเพ่อให้เกิดารคิมาเ่อแตคิดไปในทางที่ดีได้ถูกต้องถูกต้องแต่ต้องทำหน้าที่ของเราไม่ใช่ทำฟังอย่างเดียวแล้วก็งานก็ไม่ทาอะไรก็ไม่ทำก็ไม่ได้ ต้องมีจากแยกเยกะอะเขาจะไปภูทอบเลยจะไปเที่ยวเลยเขาบ้านก็อยู่น้คายาบ้านอยู่น้ำคายะจะไปอยู่ที่วัดเลยเหรอต้องกลับมาลืมเลยค่ะไปเครื่องขาดีภูทอกก็ดดเดี๋ยวโยงก็ได้ไปเนเพราะว่าพอดี เพื่อนก็จะเป็นผู้ว่าที่ได้เชิญแล้วก็ท่านสัมภารก็จะไปด้วยอท่านจะไปหมเ้าคะเราไม่ต้องหรอกเราอยู่ที่แทคดีแล้วท่านแล้วตอนนี้แบบว่ามันมีปัญหาอยู่เมื่อประมาณสาวอาทิตย์ที่แล้วน่ะพอดีอ่านข้อความของท่านอาจารย์นั่นท่านก็บอกว่าถ้าเราถูกติดอยู่แบบดีเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ในปัจจุบันและตลอดไป ลูกก็เลยล ก, ก็เลยไปคิดถึงเมื่อสามสิบหาปีที่แล้วช่วงสามส้าปีที่แล้วไม่ได้ทา ง, งานสามปีอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่สบายแล้วก็มีอยู่วันนึงลูกชายก็กลาจะสามสบก็ถือหนังสือของพระอาจารย์มาสวัสดีมาให้อพออ่านพารากราฟนั้นก็จบทุกอย่างแล้วก็ลุกขึ้นไปทำการจบหมดเลยแต่ พอมาอ่านอันนี้เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว<ม>ก็เกิดความทุกข์อย่างรยแล้วเราจะทํำยังไงกับอดีตที่เราปลูกไว้กับปัจจุบันย้งก็นึกถึงหลวงพ่อนะคะ<ม>ที่สอนไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่หายไปนะคะ<ม>ก็ไม่ทราบ<ม>จะทำไง<ม>ก็คิดว่าเอ๊ะสามหรือห้าปีที่แล้วเราอ่านธ า, ารกรรมนั่งของพระอาจารย์มั่นแล้วเราสามารถที่ไม่สบายเราสามปีลุกขึ้นไปทํางานได้ตลอดไปเลยนะคะแล้ว ตัดได้หมดเลยแต่ทำไมครา้นี้เราไม่ได้นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปเราต้องบาป แ, แน่ๆเลย<ม>ก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็ไปหยิบอันนี้ไม่ทราบว่าจะบาปป่ะฮะอั น, นี้จะต้องเรียนถามเพราะ<ม>ก็เลยไปหยิบพระธาตุของหลวงพูทธาภิชกโกมนแล้วก็มองท่านเพราะว่าท่านเป็นแบบทิศตันเยอะมากค่ะ<ม>ก็บอกขอปัญญาท่านพระจารเพราะว่ารูกไม่ไหวถ้าขึ้นลูกมา มีตาบากอยู่ไม่ด้ไม่หวแล้ ว, ว ก, ก, ก็นั่งมองไปประมาณครึ่งชั่วโมงมองท่านเพราะท่านเดอะมากนะ ก, ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรไมันผุดขึ้นมาว่าก็เราก็เอาปัญญาต่อสู้กับปัจจุบันข้าอดีตไปซะโดยการที่เรียกว่าเดี๋ยวเราไปคนหางเราเองว่าเราจะทำะํำยังไงกับปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา ตอนนี้มันก็ติดอยู่ว่าตอนนี้ก็โอเครู้เรื่องแล้วนะคะการที่ไปหยิบพระธาตุขึ้นมานั่งมองมันจะบาปเะคะอ๋อไม่บาปเหรอพระธาตุก็เป็นพระธาตุไม่เลยเป็นธาตุเน้ะมันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรพระตายเนี่ยไปแตะต้องตัวท่านไม่บาปแล้วไปแตะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบาปแต่ตายแล้วท่านไม่รู้เรื่องอะอะนะแต่ถ้าว่าอาจจะไม่ไม่ควรทํามันมัน หมายถึงเป็นธาเป็นศพเป็นร่างร่างกายแต่ธานี้มันไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นธาตแล้วมันเป็นธาตุธาตุธาตุใครก็จับได้ทั้งนั้นไม่มีข้อห้ามจะแบบหิบมาทั้งโถเลยนะอ่นั่งจับมาธาตุไม่ใช่เป็นธาตุธถ้าไปจับตัวธาตเนี่ยมาจับตัวเราตอนนี้ยไม่ได้หรอกบาปแต่ว่าก็เหมือนกับว่าก็มีความสุขอย่างที่ว่าแท่านมาให้ความกระจ่างอ่าก็ได้เป็นที่ซึ่งของเรา ไม่บาปไม่บาปเดี่ยวโยมก็จะไปทูทอกเหมือนกันแต่ตรงไรกันเพราะว่าพอดีหลายๆคนก็ว่าตามท่านเฉลิมพระีบกว่าเพราะว่าจะได้ไปหลายจังหวัดนีแต่เป็นขบวนเลยเหรอก็ไม่ก็แบบอาจจะแบบเออยอมไปรถอีกคันนึงแล้วก็รถตู้ที่เขาจะไปที่นิมบต์ท่านเฉทิมพระไปแค่นั้นไม่ขบวนใหญ่แล้วค่ะ แล้วพอดีลองลองพูดว่าคนที่ชมบุรีแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแกโยมนะคะตอนนี้เ็าได้ไปเป็นพัวบึงการเขาก็อยากจะชวนไปเพราะว่าใครๆก็อยากไปปูท่อทั้งนี้ไปมาหลายหนแล้วนะคะก็ดีจะไปไม่เสียหายเลยเป็นบุญแต่ว่าถ้าทรานศาสนาจะไปโยมจะได้เรียนทัวให้เป็ไหมล่ะ ไม่เคยมีความขิ้อยน่ยในใจโอเคนะผมกับเพื่อนมาจากพัทยาครับอดีได้ยินชื่อเสียงครูบาอาจารย์มานานแล้วแต่ว่ายัางไม่โอกาสได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาฟังธรรมครับก็ อ, อยากจ ะ, ะกับสัาตัวเป็นรูปถิดครับมาภาวนานตัวกับอาจารย์สุชาติเป็นรูปถิ่ครับ ว่าสิ่งใดที่อาจารย์สุชาติปรัถนาและผมพอทำให้ได้ก็อขออาจารย์ได้บอกกล่าวกับผมได้ครับที่ตรงนี้ก็เป็นท่างกุญแจนะครับอยู่ที่พัทยาผมก็รับจ้างอยู่ที่พัทยาก็มาปรนนาร่างตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครั บ, รบถ้าอยากจะเป็นลูกศิษย์ก็ต้องปฏิบัตินะถือศีลทําบุญใชาบาต รักษาสี่ห้าเปนั่งสมาธิครับผมกับเพื่อนก็อยู่ที่พัทยาก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดโพสัมพันธ์อาจารย์บัญยาครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทําบุญทุกวันพระที่หาวัดป่าหลวงพ่อโบเกต์นะครับก็ทําบุญก็เป็นลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ท่านยิชโนะค่ายครับก็ทําบุญอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้กราบอาจางย์ครั้งแรกก็อยากจะกราบเป็นลูกศิษย์ด้วยครับ เวลาก็ okay, วันพ้า <GPU> ก <forgive your throat> ําลังไปนอนที่วัดที่วัดป่านั้นก็ได้อยู่ใกล้ๆในทางคืนถ้าคืนก็เป็นรู้สึกที่นั่นอยู่แล้วนะครับทางนั่งซื้อไปนะร่างกายไม่เห็นนะคุณพ่อโบเกะใช้เขาเพิกลับไปกลับไปย้ดเลยวันงานวันที่ยี่สี่นะคะถอยจากนะถอยจากแล้วได้ถามว่าวันที่ยีิบห้ากับโยงก็เลยไม่ได้เข้าไปกลับท่าน มันก็ไม่เคยไปกาดท่านเลยแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมาไม่สักอทิตย์นอย่งนี้โยมฝันเลยว่าจะกัดถ้าแล้วท่านจะสอนธรรมะเยอะนะแล้วคํำสุดท้ายท่านก็บอกคุยเกียรติเขาคุยเกียรเข้าอาจจะเป็นแบบว่าให้โยมมาทางธรรมะเยอะๆให้ปฏิบัติทําบุญมามากพอแล้วอู้จ้าที่โยมยังไม่มากเลยให้ทําให้ปฏิบัติได้แล้วแต่ก็ จะแผ่ไม่ตายให้แม่นกแก้วเขาสลอดด้วยนะคะเพอาะเขาก็มีบุญึาณมากนะเจ้าประชักยิ้มนะแแต่ว่าบางครั้งหรือว่าถึงยมจะเคยช่วยช่วยคนมามากมานะคะแต่ว่ามันก็จะต้องมีคนเข้ามาแบบมามาให้เราช่วยอีกแต่ตอนนี้จะต้องพิจรนารณาแล้วก็ช่วยไปตามกำลังช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธไป ที่จะแบบั้นดีกว่าแต่ก่อนไม่เคยปฏิเสธเนี่ยมันก็เลยก็เลยลําบากมันไม่ใช่ลำบากเรื่องเงินนะฮะมันมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราต้องคือจะหลังเพื่อนอ่ะเขาจะมองว่าหยุดหยุดก็ทีในอการที่คิดว่าช่วยคนแล้วแบบมันคลาวออกมาใช่ไหมฮ ะ, ะ, ะมันไม่ดีเลยเรื่องเขาบอกเขาบอกอยู่เฉยดีกว่าเมื่อกี้คนมาขอเนี่ยนะคะมาขอร้องเดี๋ยวก็ทําได้หมดเนี่ย แบบขนาดอะไรอ่ะเพื่อนเขาบอกเนี่ยฝรั่งคนนี้อยู่แทงอะไรจะตกงานแล้วนะ๋ยวก็โทรไปหาเล้าใหญ่มันเป็นเรื่องที่แบบมันทําได้ไงฮะเลขาใหญ่บอกมันเป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการส่งอีเมลให้นายที่ดันรักใช่ฝรั่งก็ได้งานไป<ช>แล้วเพื่อนก็ถามแล้โยงได้แล้วแบบยงไม่รู้จักเขาฝรั่งคนนี้แต่เขาโทรมาแจ้งเกี่ยวก็แค่นั้นเองก็ดีเราก็ได้ความสุดใจเราได้บุญ แต่พึ่งเขาบอกไปช่วยเขาทำไมก็ช่วยช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องช่วยกันใช่ใช่เขาบอกเนี่ยเขามีเงินเดือนตั้งหลายแสน อ, อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกระชั่งเขาเป็นไรเราไม่ได้มีความสามารถถ้าเรามีความสามารถเราช่วย<ำ>ได้ก็ช่วยไปก็เด่นเราก็จะได้บุญบอกช่วยเอาบุญบอกแล้วไม่ต้องการอะไระะก็แบบแต่ก่อนนี้บริษัทรัวแบบเขา่งแขกจงอะไรมาที่บ้านใช่ไหมคะ ยมว่าแผ่เมตตาจนทุกวันนี้นะเจ้าของบวิันอะไรพวกเนี้ยหรือพวกไกดเนี้ยยงรู้สึกยงว่าแผ่เมตตาใงี้ย่ก็มาช่วยเราก็เหมือนให้เรามีกินอ่ะอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรธรรมดาค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะค่ะดูมีอะไรกว่ามันจะนั่งอย่างอย่างนั้นถ้าผู้ที่สอถามาแบบที่บอกว่าธรรมะที่เห็นกันจริงแตกแล้วก็ มันก็เป็นนิมิตไ เ, เป็นนิมิตมิตตรงที่าวอาจารย์บอกว่าเราต้องใช้ตรงเนี้ยมาสน<อ>ใจเราเ<อ>มาเตือนใจเราว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็น น, นิมิตที่เราใช้ตลอดเวลานั่นคือการที่ก็เรื่อปัญญาภาวนาวิญญาปัญญาอะมันทุกอย่างมันเป็นแค่แผ่นดินดินน้ำาูนไฟเราไปหลงติดอยู่กับสมมติ ร่างกายนี้มันก็แค่ดินน้าลมไฟแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเดี๋ยวมันก็เมื่อเมื่อเช้านี้ก็มีคนเอารูปมาถ่ายดูว่าพี่ชายตายไปเผาแล้วก็เหลือแค่เนี้เหลือเศษกระดูกดอยู่ไม่กี่ชิ้นนั่นแหละนั่นนั่นคนเราก็เหลือแค่นั้นเนี่ยธาตุดินก็เหลือแค่นี้ธาตุน้ำส่วนใหญ่ร่างกายเราเนี่ยเจ็สิเปอร์เซ็นมันเป็นธานตุน้ําเวลาเผามันก็ราเหยหายไปหมด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 อทางไห้ทีเลยตันหาตายมัไม่ตายไงถ้จกิเลสตายมันก็บรรลุถ้ายังไม่ตายมัยังไม่บรรลุอะไรที่บอกว่าช่วงขนาดจิตาจารย์ไม่ขนาจิตละมันตลอดเวลาเลยนะพอมันตัดได้แล้วมันก็ต้องตัดตลอดเวลามันถึงเรียกสมุจเจแล้วยัดไร้ายสองวันกลับคืนมาใหม่มันก็ไม่มันก็ตอนเราตัดมันก็ตัดแค่ช่วงขนาดนั้นแหละมันตัดช่วบที่นี้เพียงแต่ดูว่ามันจะฟื้นหรือเปล่านะ ก็อย่าประมาทเนี่ยรู้ว่าตัดมันได้แล้วถ้ามันโผล่ขึ้นมามาอยากเราเอกก็ตัดมันไปเรื่อยๆอย่าไปอย่าไปตอบสนองตามความอยากมันถ้าไปตอบสนองมัแสดงว่าอ่ายังยังไม่ขาดงั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราตัดตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวมันมันจะตายแล้วมันไม่มาแล้วถ้ามันกลับมาเอกก็ต้องเอ้มาทําไมโูเคมึงตัดมึงได้แล้วไม่ใง่ายนะอ่า กระจายไหมบางคนคิว่าตัดทนเดียวได้แล้วต่อไ่จะตัดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ตัดค น, คนคนคนเลิคนไม่อยู่วัดแล้ว ก, กินเล้าได้สามเดืียวต่อก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมแล้วกูจะเลิกเมื่อไหร่กูก็เลิกไดก้มันก็หลอกตัวเองอะนะอ่าจะทำจริงใช่น่าจะดูจะทํามื่อไหร่ทได้ไมันต้องทําไปไเรื่อยๆทาไปทุกวันมันถึงจะทําจริงทําทําได้จริง ถ้าทำทำแล้วกลับว่าไม่ทำมันก็ทำแบบมันก็ยังทำไม่ได้ร <c oughs> จริง <c oughs> อย่างจริงจังมันเป็นส่วนหนึ่งมันธติไปเอ่ามันธรรมชาติไปเลยอ่าไอคือเ <c oughs> มื่อกี้นี้คำพูดที่เขาพูดอ่ะ <c oughs> แหี่ยเหมือนกับมักสาสินด้วีสิโอ อ่าก็เรื่องของเขาเราไปอะไรทําไมบางทีเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะไปว่าก็เขาคงไม่เขาคงไม่มาหลอกพระหรอกเขาก็ไม่ได้อะไจากการหลอกเราเขาก็พูดจากใจจริงของเขาเขาคง่เหมอนกไม่มาหลอกพระหรอกเขาก็ไม่ได้อะไรจากการหลอกเราเขาก็พูดจากใจจริงของเขาคือเขาเข้าใจงว่าศีลมันนี้่เขารู้ว่าศีลมันอที่ใจเอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่กายวาจากายวาจาเป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งจากใจเมื่อเข้าถึงตัวใจแล้วเขาก็รู้ว่ามันอยู่ที่ใจถ้าถึงพูดถูกไห เราไปไม่ถึงเราไปหมั่นไช้เขาเอง่อะไรวะเราไยังติดอยู่ที่ศีลต้องต้องสมาทานศีลห้าอยู่แล้วยังฝันตกยุงอยู่เนี่ยทำผมหนูความสุขทางใจทำให้เราว่างเปล่าแต่งานก็ทำเป็นหนูแนะนำลูกค้าให้เขาจองค่าอาจารย์นี้เหมือนกัน ทุกตู้เนี่ยให้เหลือกับงานของคุณนะฮะไม่รู้แต่รู้ว่าไม่มีที่สุดดูราาอนนเพราะว่าพี่ลงพอเทศในเฟส่วนมากทุกอย่างคือความเป็นจรของธรมชาติก็เลยว่าหนูสงสัว่านูแนะนเขาไปอะไแเป็นสินงรรน่งที่ถูก ถูกเพีงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เชื่อน้ํายาเราเพราะว่าเรามันไม่ได้โกนหัวเรายังแต่งผมยังแต่งหน้าอยู่เพราะอะไบอกว่ามันเหมือนแม่ปูสอนลูกปูอ่ะก็สอนได้แต่เขาคงจะไม่เชื่อเราแต่ถ้าหนูโกนหัวแล้วนุ่งขาวห่มขาแล้วแล้วหนูไปทําผมเนี่ยเขาอาจจะเชื่อเขานะเดี๋ยวไม่มีใครมาส่ง แต่เึีงแต่ว่าเขาเขาเขาไม่เชื่อน้ํายาเราเนง่ยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทํามันไม่เหมือนกันอน่ายังไม่เหมือนกันแล้วแล้วอย่างที่จริงเรื่องแบบอย่างพระจ า, าโมโบเกต์อนะไรเนี้ยโยมก็ไม่ค่อยจะกล้าเล่าให้ใครฟังอย่างมันเป็นจิตจักรที่เรารือยังไงก็แล้วเป็นเรื่องสขอนตัวเราอ่ะเปนเรื่องของจิตของธรรมของเราที่มันปรากฏให้เรารับดูตัวท่านอยางนี้ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยก็ได้เอรงั้น เรื่องภายในใจนี้ถ้าไม่คนไม่สนิทไม่รักกันไม่รู้จักรู้ใจกันก็อย่าไปพูดอ่าเดี๋ยวมันก็จะมองว่าเราแอบอ้างหรือโอ้อวดหรืออะไรไปมากกว่าแต่ก็คิดว่าท่านท่านคงก็คิด ว, ว่าเราคงมีจิตที่ดีถึงได้เห็นท่าน โยก็คิดแค่นี้แต่ก็ไม่ได้ไปบอกท่านนะไม่ต้องบอกหรอกบอกท่านท่านก็บอกดีออคิดถึงพระนะดีดีกว่าคิดถึงเล่าอ่ะค่ะอาจารย์คะผมคนจะแนะนําลูกค้าต่อไหมท่านน่อต้องดูคนเนี่ยว่าเขาสนใจหรือเปล่าท่านก็ไม่สนใจก็เหมือนขายสินค้าเนี่ยเราดูว่าเขาอยากจะซื้อสินค้าเราหรือเปล่า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 แต่างทีเดินมาผ่านไปแล้วไปเรียกเขายี่อย่าไปเรียกเข้ามาค่ะพอเข้ามาทาผมมันใช้เวลานานก็มามาบ่นเรื่องราวทุกใจอะไรเงี้ยอ่อนยายเขเลยค่ะแล้วก็อาจารย์สอนทีน้เขาจะรับไม่รับไปเรื่องหนใช่เขาไม่รับก็หยุดูได้กันหมอนลงว่บอกว่าครูสอนอ่าเพียงแต่ว่ามันจะได้พอนเรื่องฝานั้นค่ะ่ี้อ่พูดมีความสุขอยใการให้ธรรมะแกผู้อื่นก็เป็นความสุขเนี่ยธรรมทาน ก็ดีไม่แน่ยมันเหมือนจับฟ้าตกฟ้าดีไม่ดีก็อาจจะฟ้ามันก็จะติดเบ็ดมาก็ได้เขาเป็นทุกข์ก่าชางโลกใช่ถ้าเขาเขาติดใจเขาอาจจะแก้ทุกข์ของเขาได้อได้เพียงแต่เราอย่าไปเสียใจถ้าเกิดเขาไม่ติดเบ็ดเราไปร้อกันแต่เขามองหนูแบบนั้เราะว่ามันกลับกันก็อย่าไปเสียใจเราไม่เข้าใจเราถึงเมื่อเราจะแต่งการก็อาจจะเป็นเครื่องแบบเท่านั้นเอง ใจ่ใจเราอาจจะไม่มีความยินดีกับมันก็ได้ใช่ไห ม, ไหมตอนนี้พอดีเจ้าที่พูดเกียวกับเรื่องอางคารอะไรวกนี้ใช่ไหมคะมาถึงกระดูกอะไรตอนนี้พ่อโยมอ่ะที่มาหนะ้าปี37แล้วนะคะตอนนี้น้องทายอ่ะนาคนเดียวแล้วก็แม่โยมอ่ะเขาก็ร่วมไม้พอใหญ่แล้วก็ตั้งโตมีขาและโยมก็บอกให้จะลอง ไม่เป็นได้หลับ อ, อยู่ที่ไหนก็ได้ลอยก็ได้ไม่รอยก็ได้แล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่ความพอใจแต่พ่อไม่เคยมาลบคุณบอกไม่ไม่ไร้มันเป็นธาตุท่านนึ่งเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุดินแล้วบาที <umb> มันมีเรื่องสิกขัดอยู่ตอนนั้นพ่อเขาเก็บอธีหงก็แต่ละอันเนี่ยแต่ละองค์นะฮะใหญ่มากเลยเป็นเ็ดตาใสาเนี่ย<ม>นะตอนนี้ มันเป็นเหตุที่เรียกว่าพ่อเสียอะไรเนี่ยพ่อเก็บไว้ในตู้ของเขาแล้ว แ, แม่โยงก็คงไม่ได้สนใจอะไรแล้วตัวโยงแต่ว่าบางครั้งมันก็ละเลยอ่ะตอด น, นีก็หายไปยังไงก็คนหาไมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมว่าเป็นอนิจจังก็แล้วกันอ่าเป็นไปตามธรรมดาของโลกมีเกิดมีดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีเจตนาไปทําอะไรกับท่านไม่มีก็ไดาเ<อ>ลยโยงก็สบายใจแต่ก็รู้สึกถึงท่านทุกคืนเลยนะอา่าแล้ อันนี้สำคัญกว่าเราเลิกได้สำคัญกว่าเราเลิกไหลองมากเลยคทำสายมาจานันลราไมกถึงพระล้วจะได้กลัวบาปไม่กล้าทำบาปโยไม่ชอบทำอยู่แล้วเจ้าค่ะโอเคนะแค่นี้ก่อนขอให้ท่านมีความสุขและท่านเป <สา S 1> ็นอาจารยได้ความมโนทนา